16. ต้องเริ่มมีรอกุตรธรรมตั้งแต่เห็นความเป็นกายต้องปฏิบัติจนรู้จักรู้แจ้งรู้จรงิงองค์ประกอบของรูปนามตั้งแต่สักกายซึ่งเป็นกายของตนอย่างสัมมาทิฏฐิจึงจะชื่อว่ามีวิปัสสนาญาณพ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งแล้วได้พิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอันเป็นโลกุตระธรรมในสติปัฏฐานสี่ข้อหนึ่งสองสสเจริญขึ้นไปตามลำดับดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกุตระธรรมนั้นก็คือโพธิ ป, ปักขิยธรรม37นี้แล ดูในพระไตรปิฎกเล่ม31ข้อ620ถ้าแม้นอาการของจิตยังไม่เปลี่ยนแปลงสภาพจากเคหะสิตะเวทนาที่เป็นโลกีซึ่งผู้ปฏิบัติขณะนั้นต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงโดยสัมผัสวิโมกข์แดด้วยกายอยู่หลัดหลัดทนโทษทีเดียวกล่าวคือ มีองค์ประชุมของรูปภาวะที่ถูกรู้อยู่ในขณนะนั้นก็คือตัวตนของกิเลสกับนามภาวะของธาตุรู้ที่เรากำลังรู้อยู่ในขณะนั้นคือญาณเรียกองค์ประชุมของรูปกับนามนี้ว่ากายรูปคือตัวกิเลสก็คือจิตตน นามคืออธิปัญญาก็คือจิตตนซึ่งสางก็เป็นจิตของเราเองนั่นเองทั้งรูปทั้งนามรูปกําลังเป็นภาวะที่ถูกรู้อยู่ในขณะนี้มีอาการให้เราเห็นปัสจุิอยู่ทนโท้อต้องๆหลัดๆซึ่งก็คือเห็นปัสจุบตัวตนของกิเลส พลังงานจิตที่เป็นอกคศลอย่างเป็นภาวะแท้ด้วยปัญญาขั้นปรมาทสัจจารู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นกายของจิตที่เป็นองค์ประกอบของรูปกับนามชัดๆและนามในขณะนี้ก็คือสัญญาที่กำลังทำหน้าที่กำหนดรู้ภาวะนั้นๆอยู่หลัดหลัด และความรู้ที่รู้แจ้งขึ้นไปอีกจะเรินจากสัญญาก็คือถ้ารู้จะเรินจากสัญญาพัฒนาขึ้นเป็นปัญญาปัญญิีสีชนี้เองคือการเห็นธรรมกายอันเป็นกระบวนการของธรรมะที่กำลังเป็นไปพระวันติของเราผู้กำลังเห็นอยู่ทนโทษ และอาการต่างๆของกระบวนธรรมก็กำลังเจริญพัฒนาในธรรมะแท้ๆจริงๆตามพุทธภาวะความปรากฏอยู่จริงของพุทธผู้ปฏิบัตินี้จึงกำลังเป็นผู้เห็นกายของพุทธอย่างเป็นสัจจะอันเป็นปรมัาถธรรมแท้ผู้นี้กำลังเห็นธรรมกายได้คือเห็นปสสติ องประชุมของรูปนามทั้งในความเป็นเคหะสิตะเวทนา18ที่เป็นกายของธรรมะและปฏิบัติมรคอันมีองค์8อยู่อย่างสัมมาทิฏฐิและทั้งสามารถแก้กรรมให้เกิดเป็นเนคขมะสิตะเวทนา18สําสำเร็จแท้ซึ่งเป็นการแก้กรรมทั้งสให้สัมมาได้จริงสมบูรณ์ นั่นคือการแก้กรรมจากมิจฉาสังกับปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชิวะให้เป็นสัมมาสังกับปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชิวะได้จริงสาเร็จบ ร, ริบูรณ์ซึ่งทางสังกับปะ วาจากรรมนตอาชีวานั้นล้วนคือกรรมทั้งสี่องค์มรรคโดยดับกิเลสที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอกุศลกรรมทั้งหลายได้จนกระทั่งสามารถดับสมุทัยอริยสัจนั้นอยู่อย่างเห็นแจ้งสัจฉิความเป็นนิโรธอริยสัจแท้ถึงที่สุดสมบูรณ์เป็นจริง